สวัสดีกับท่านเจ้าหน้าที่และก็ชาวคณะออยยชมลมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขได้เกียรติเชิญผมมาพูดในหัวข้อที่ว่าจิตสดใสแม่กายพิการที่จริงเรื่องจิตสดใสแม่กายพิการเนี่ยสรุปลงมาอยู่สองเรื่องคือเรื่องกายกับเรื่องจิตกายกับจิต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 โดยนึกไม่ถึงมาก่อนก็ได้ไปกระโดดน้ํานีสอนนักศึกษาว่ายน้ํากาษาที่กระโดดน้ํการกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำนสอนการกระโดดน้ําลงไปนีมันเกิดพลาดท่าศีรษะนี่มันไปกระแทกถือพื้นก้นสะเลยเนี่ยหัวมองพื้นเลยก็ทําให้กระดูกเนี่ยต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยมันก็หัก ก็มีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยต้องพิการตลอดชีวิตไม่มีความรู้สึกช่วยหลตัวเองไม่ได้ร่างกายต้องพิการมันก็มีผลทัน้านจิตใจใจก็เลยต้องเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้จึงจะเริ่มรู้จักว่าอ๋อทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวละมันเกิดทันทานจิตใจเริ่มรู้จักจิตใจแนละ้ว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 เรื่องไสยศาสตร์ต่างๆเรื่องหมอดูเรื่องเข้าทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยเพื่อให้จิตใจอย่างนั้นเลยแต่เราเข้าใจเราก็มีดีเพราะเราไม่ค่อยได้ศรัทธาเรื่องแบบนี้เมื่อร่างกายไม่หายก็ต้องเลิกลากันไปก็รักษาร่างกายจนกระทั่งหมดหมดบัญญาแล้ว <c oughs> ไปเลยสิ้นหวังกับ ร, ร่างกายก็ต้องเลิกไว้ก่อนเลิกไปก่อ น, นที่จะว่าเมื่อตอนที่ผม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 ตอนนั้นขวดใหญ่ๆนะขายขวด25บาทเท่านั้นก็ทานมาเรื่อยๆจกนกระทั่งอาการที่เป็นเรี่ว่าขับลมในกระเพาะเนี่ยใหม่ๆก็ก็รักษาได้อยู่หรอกต่อไปมันก็ดื้อยาทานจกนกระทั่งขวดยี่บ้าบาทราคาสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นสี่สิบห้าบาทก็เลยบอกว่าเอาละร่างกายพอกันทีแค่นี้ไม่ต้องพยายามขนไคยแล้ว เรามุ่งมารักษาทางด้านจิตใจบ้างแพทย์แผนปัจจุบันก็นแล้วแพทย์ทางเลือกก็แล้วไม่ได้ผลก็เลยมาใส่รักษาทางด้านจิตใจอาศัยธรรมโอสถผมเรียกว่าแพทย์ทางรอดรอดออกจากทุกธรรมโอสถเนี่ยผมว่าเป็นแพทย์ทางรอดพาจิตพาใจของเราเนี่ยรอดออกมาจากความทุกข์ได้ ผมรักษาสามแพทย์แหละแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือดแล้วก็แพทย์ทางรอด <Yeah. S 1> รักษาแพทย์ทางรอดด้วยการปฏิบัติธรรมอาศัยธรรมโอสถการปฏิบัติธ <Yeah. S 1> รรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นยาเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพื่อรักษาตัวเราจริงๆรักษาโดยเพราะจิตใจ <Yeah. S 1> ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร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 เพาะจิตเนี่ยมันไม่มีหลักอันเนี้คือปัญหาสําคัญนะนอนไม่หลับฟุง้งซ่านอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดบางทีก็อยากร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องบางทีอยากตายรู้แล้วรอดไปเลยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมีความน้อยอกน้อยใจเจ้าอารมณ์อันนี้ปัญหาคนที่มีความทุกข์จะมีอย่างเงี้ยน้อยใจ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 ได้ไหมได้โอ้พุทธศาสนาเนี่เปิดกว้างให้กับคนทุกระดับนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้อิริยาบถสี่อ่ะพเจ้ากำหนดไม่ว่าทำได้ทั้งนั้นขึ้น๋ยวกับว่าเราทุกจริตกับอิริยาบถไหนคนที่ถนัดนั่งก็นั่งคนที่ถนัดเดินก็เดิน คนถนัดยืนก็ยืนคนถนัดนอนนั่งดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเอี่อบทนอนนั่นสำหรับคนที่เดินไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนนะ <c oughs> หรือคนที่ถึงเวลานอนแล้วก็นอนปฏิบัติก็ไม่เป็นไรไม่ห้ามเพียงแต่ว่าการนอนปฏิบัตินะั้นมันใกล้กับความง่วงใกล้กับกิเลสเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เดินจงกรมมาใกล้ที่นอนใช่นะ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 เดินแบบดดจิตตั้งมั่นก็มีสมาธิได้การปฏิบัติเป็นการฝึกจิตใจโดยตรงไม่เกี่ยวกับเอียาบทเอียบบทนะั้นเป็นเพียงแค่เครื่องช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้สะดวกเท่านั้นเนี่เพราะฉะนั้นไม่สําคัญนะเอียบบทไหนก็ปฏิบัติได้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมนอนปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งแบบนี้ได้ไม่นานแล้วถ้านั่งหลับตาเนี่ยผมจะโค้นออกมาจะรถเข็นเลยเพราะผมนั่งไม่อยู่ต้องอาศัยมีที่พิง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 นอนสู้กับความง่วงโดยการที่เคลื่อนไหวให้มันเร็วๆเรียบรอยที่มันเร็วๆเขาไว้พลิกมือเร็วๆขยับตัวเร็วๆเนี่ยกายที่มันเคลื่อนไหวเร็วแล้ะก็แรงเนี่ยมันช่วยกระตุ้นกระตุน้นจิตให้มันตื่นออกมาจากความง่วอาศัยสติเป็นตัวที่ใช้มันอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจ ก, ก, ก็ตามสติคือผู้ที่ดูทั้งนั้นอ่ะถ้าวางใจเป็นผู้ดูเมื่อไหร่ล้ก็ มันปลอดภัยมันไม่อยากใหเรายืนตำแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัยเพก็อาศัยกายบ้างจิตบ้างมาเป็นฐานให้สตินี่เป็นผู้ดูทั้งหมดเลยมันก็สบายถ้าเป็นผู้ดูแลเนี่ยสบายเลยมันอย่างกับท่านผู้ฟังเนี่ยหเห็นผมนั่งอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นผู้ดูผมแล้วก็สบายแหละ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 เพราะว่าเป็นสติที่เกิดจากสน่นชัติยานสติธรรมดานั้นไม่เป็นสติที่ยึดติดว่าเป็นตัวเราเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็ว่าเนี่ย อ, อ, อ๋อนี่เรานั่งวันนี้เรากําลังฟังเรากําลังฟังนะเรากําลังคิดเรากําลังโกรธเรากําลังทุกข์สติธรรมดาเนี่ยมันมีความเป็นเราอยู่เป็นสติที่ไปกับกิเลสด้วย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 การดูนั้นเนี่ยจะดูแลให้ชัดเจนเนี่ยมันต้องมีการแยกออกมาดูอะไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดเจนถ้าแยกออกมาดูจะเห็นชัดเจนอย่างในห้องเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นได้ไม่ทั่วห้องจ ก, กว่าจะมองหน้าแล้วมองไปลงหลังจะเห็นด้านหลังหรือก้มหรืองเงยต้องหันไปครบทิศทุกที่ทุกทางจริงจะเห็นชัดเจนเพราะเราเข้า อ, อยู่ในห้อง แต่ถ้าเราไปยืนหยุดหน้าประตูนะมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นทีเดียวหมดเลยเพราะมีการแยกออกไปดูการเตลสติการแยกออกเป็นผู้ดูมันจึงจะเห็นกากยจิตได้ชัดเจนสติทําหน้าที่รู้ทันอารมณ์ปัญญาทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์หรือเห็นแจ้ง ในอารมณ์ที่มากระทบสติทําที่รู้ทันปัญญาทำให้ที่เห็นแจ้งและสิ่งที่เรารู้มันตรงนั้นอย่างผมเนี่ยเวลาฝึกสติแล้วเนี่ยมันกลับมาดูตัวเองก็เห็นตัวเองโอกายเนี่ยเห็นร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นกายมั น, น, ม น, นไม่ใช่เป็นเรามันเป็นกายไม่ใช่เป็นเราและกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีทุกซ่อนอยู่เดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็เหนื่อย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 มันก็ไปยึดกายทําให้จิตที่พลอยเป็นทุกข์ด้วยมันก็เบียดเบียดกันพอเราดูกายนานๆเนี่ยมันเห็นว่าโอ้ยร่างกายมันเหมือนคนป่วยเหมือนคนป่วยเราต้องคอยดูแลคอยช่วยคอยแก้ไขสติเป็นเพียงผู้ที่ดูผู้ที่ช่วยเหลือใช่ไหมมันสบายตอนที่เห็นมันแยกกันอย่างนี้เนี่ยนี่เรื่องของกายและมันก็จะเห็นในเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งที่เรา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 บางทีกลับเอาไปนอนคิดเนี่ยปรุงแต่งทําให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะบางทีจิตมันปรุงแต่งในทางดีใจการดีใจเนี่ยมันก็ทําให้จิตมันปิดปกติก็มีผลทําให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้อนอนไม่หลับเหมือนกันเ <c oughs> ชื่อไหมการดีใจทำให้คนกินไม่ได้อนอนไม่หลับถายไม่สะดวกมันดีใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจ ก, ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นแม้ว่าจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดอารมณ์เหล่านั้นเป็นตัวตนของเรา mm hmm. ก็เรีว่าถ้าเราไม่มีสติรู้ทันกายกายมันก็เบียดเบียนจิตถ้าเราไม่มีสติรู้ทันในความคิดจิตมันก็เบียดเบียนกายต่างฝ่ายต่างเบียดเบียนกันไม่ไปทําต่อกัน mm hmm. ใช่ไหมนี่แหละมันเป็นปัญหาความทุกข์ก็คือตรงเนี้เนี่ยอย่างผมนี่มันมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นปมที่เป็นค้างคาใจมานานเมื่อก่อนการปฏิบัติ พอฝึกเจริญสติแล้วเนี่ยมันเห็นปมเห็นปมที่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจไว้16ปีอ๋อที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันหลงไปยึดติดว่าไอ้กายที่พิการเนี่ยเป็นเราผู้พิการไปรยึดติดความคิดว่าเรากูเป็นผู้พิการแล้วเรากูอยากเจริกความพิการมันมีความเป็นกับความไม่อยากอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของความคิดมันคือความคิด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 ได้ละไทันตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เอาละกายกับจิตยึดกัมันไม่ได้เปินเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเลยกายมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวต้องก็ช่วยแก้ไขจิตมันก็ทุกข์ในตัวเดี๋ยวมันก็ชอบเดีมันก็ไม่ชอบเวลาจิตพลิกตัวไปคิดปับ๊บมันทำให้ตัวมันเองเหน็ดเหนื่อยให็น ไ, ไหมคิดแต่เรื่องนิ่มเหนื่อยไหมคิดเรื่องดีเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งนั้นแหละ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 ก็ไม่ชอบแล้วบางทีไปดูบัตรไปเนี่ยบางทีมันขี้เกียจคิดนะเคยไหมขี้เกียจคิดมันขี้เกียจคิดด้วยอเองนะอย่างผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเรื่องการคิดเนี่ยเขาคิดดีมากแต่พอค่ําลงเนี่ยมันจะปิดสวิตช์เลยมันจะไม่อยากคิดอะไรเลยนะแม้เราจะพยายามจะคิดมันก็ไม่คิดนะมันจะปิดสวิตช์นอนถ้าอดีตสองสองทุ่มเตรียมตัวหลับแล้วเรื่องง่ายๆก็ไม่อยากคิดแม้คิดมันก็ไม่ค่อยดีมันเลยบ่งบอกว่าจิต เราไม่สามารถจะบังคับบัาให้มันทาหน้าที่ตามที่เราบอกได้เราดูบ่อยเห็นว่ามันบางทีมันก็คิดเองบางทีมันก็ยึดมั่นถือมั่นบางทีก็ปล่อยวางของมันเองวอาจิตมันทำหน้าที่ของมันเองหมดเลยเราไม่ได้ไปทำอะไรนะเห็นอาการที่มันทำที่ของมันเองมันยึดติดมันก็ทุกข์เองนี่เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเพราะสุดท้ายสรุปลงที่จิตใจทั้งนั้นเลยพอเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้เท่ากับเป็นการ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 สุขภาพจิตก็ดีกินอาหารก็อร่อยนอนก็หลับถ้าจิตดีทำงานก็สนุกไปสู่กับการทำงาน ท, าทำงานด้วยจิตที่ดีๆและสำคัญก็คือมโร์ในแง่ดีด้วยจิตดีเนี่ยมโร์รในแง่ดีนะถ้ามโร์ในแง่ดีนี่มันกระตือรือร้นที่จะทำงานกระตือร้นที่จะแก้ปัญหาเวลามีปัญหามาที่เราต้องไปเชิญหน้ากับเขามันมีกำลังใจที่จะฝ่าฟัน บาที่มันท้าทายปัญหาไม่กลัวที่อาฝ่าปันญาเนี่ยเริ่มจากจิตที่มันดีสุขภาพมันดีนอนหลับสบายกินนอนหลับทายสะดวกเพราะฉะนั้นสําคัญที่จิตใจก็ยังนึกย้อนไปถึงตอนต้นที่บอกว่าที่มีชาวฝรั่งเขพูดว่าจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็เลยหันไปดูตรงนี้อ๋อจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงแสดงว่า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 ใจมันก็เลยไม่มีปัญหาใจใมีปัญหาร่างกายอาจจะมีปัญหาบ้างความไม่สะดวกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่เราคิดว่าความไม่สะดวกเนี่ยมันเป็ความเป็นปกติของเรามันไม่ใช่ปัญหาถ้ามองสิ่งนั้นเป็นความปกติแล้วก็สิ่งนั้นจะไม่ใช่ปัญหาเลยมีคนเขาบอกไว้ว่าคือชื่อวาปัญหาเนี่ยมันย่อมมีการแก้ไขถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ย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 แม้ว่าโอซักมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วคนเราจรึงมีงานต้องทำอยู่สองอย่างคืองานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกคือทําหน้าที่ที่เราสมมุติกําลังปฏิบัติอยู่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดแต่ภายในคือรักษาใจให้เป็นปกติไม่ทุกข์ไปก่อนอย่างนี้แหละจะได้ทั้งงานข้างนอกและงานข้างในวิธีจใจใจไม่ทุกข์นั้น ก, ก็ต้องมีสติ